อนอุปาทานวันที่6กันยายน2558กราบนเมสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกลยมิตรทุกคนก็นั่งสบายๆนะเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์ก็เปลี่ยนบรรยากาศ เ, เรามาปฏิบัติธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมคือทำตามหน้าที่ตามธรรมชาติ นะการปฏิบัติธรรมก็คือทานศีลภาวนานะก็พระครูแจ้งข่าวอีกพรุ่งนี้เช้าแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญตักบาทนะทำทานทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานแล้วก็ศีลก็คือเกาะป้องกันภยัยไม่ให้เราทำความชั่วเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เจริญภาวนาก็คือการฝึกจิตสมถะวิปัสสนาะ เรามาอยู่ที่นี่เช้าสายบ่ายเย็นวันหนึ่งหชั่วโมงเราก็จเจริญภาวนานะแล้วก็โอกาสที่เราจะทำกรรมชั่วก็น้อยนะแล้วก็มีโอกาสได้ทำทานด้วยก็คือทำดีละชั่วขัดเก่าจิตให้ผ่องใสนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะการการปฏิบัติธรรมนะพระองค์พุทธเจ้าท่านพูดว่าแดนแห่งวิมุติ หสถานวิมุตติคือความหลุดพ้นมี5สถานคือหนึ่งการฟังธรรมออสองการสายทะยัยธรรมสามการตึกตองพิจารณาธรรมนะแล้วก็การทํากรรมฐานแดนแหวงแห่งวิมุตห้าสถานนะก็ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ฟังธรรมนะพ่อครูก็มีโอกาสได้แสดงธรรมนะทุกคนได้หมด ไม่มีใครเสียมีแต่ได้กับได้ก็วันนี้มีคําถามพวกกูจะเข้าคําถามเลยนะจะได้ใช้เวลาไม่มากเวลาเข้าจิตแล้วรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างไม่รู้ว่าใช่พลังงานจากความว่างหรือเปล่าคะหรือเป็นพลังงานไฟฟ้าในในอากาศคะ แล้วถ้าเรามองไม่เห็นจะรู้ได้อย่างไรคะว่ามันปล่อยออกไปแล้วจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าทั้งหมดมันเป็นแค่โปรแกรมของจิตในอดีตหรือคิดปรุงแต่งไปเองคะขอคําชี้แจงและช่วยแนะนำด้วยคะ่ะว่าควรทำอย่างไร นะก็เห็นมันก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะอย่าไปหาคําตอบว่ามันคืออะไรนะเราไปคิดอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนกล า, ายเป็นพลังงานอย่างหนึ่งคล้ายว่าปล่อยออกไปแล้วคนคงหัวแตกไม่ให้เรืออะไรพวกเนี้นะนะมันเป็นเรื่องของธรรมลมนะที่เราเรียวกว่าเป็นนามธรรมานั่นแหละแต่ว่ามีไหมมันมีเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็สรุปง่ายๆว่ามันคือพลังอะไรเราฝึกจิตก็คือพลังจิต ส่วนพลังจิตมันจะออกมาในรูป เ, เป็นความร้อนเย็นเป็นแสงเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องจิตเนาะเราก็สักแต่วรู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องกังวลนะทีนี้ไอการปล่อยออกมาที่ว่าเหมือนเราคลายธรรมลมออกมาเนี่ยคือพวอ ค, พวคูพ่อคูพูดเรื่องนี้หลายปีก่อนนะคำว่าเหล็กไหล เหล็กไหลเราจะไปค้นพบตามถ้ำผาต่างๆเหล็กไหลเขามีคุณสมบัติเป็นอย่างนี้เขากลายเป็นของแข็งก็ได้เป็นของเหลวก็ได้เป็นอากาศธาตุก็ได้นะหายตัวไปก็ได้อันนี้เกิดจากธรรมลมที่เราฝึกจิตแล้วคายออกมามันก็เกาะกับเป็น ก, ก้อนๆ อ, อย่างหนังกลาลังภายในของจีนเน่อดีตเป็นเรื่องจริงนะที่เขาฝึกกลาลังภายในแล้วเขาเขารวมพลังแล้วเขาโยนใส่ คนนั้นมีผลอย่างนั้นอันนั้นอยู่ที่เจตนาที่เราจะสร้างพลังตัวนั้นให้มันเป็นอะไรมันเป็นพลังอย่างหนึ่งนะทีนี้อยู่ที่เจตนาของเราถ้าเราทำอะไรแล้วเหมือนเราร้องเพลงนี่แหละแล้ว เ, เป่งเสียงออกมาเนี่ยถ้าเราเพลงร้องเพลงเพราะแล้วเพลงนั้นน่าฟังเขาฟังแล้วเขาก็รักเราเขาก็ชอบใจแต่ถ้าเราเป่งเสียงออกมาไปร้องไปด่าเขาเนั่นะเขาก็เกลียดเรานะอันนี้ไม่ต้องกังวลอะไร สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายใครนะมันก็เป็นพลังของจิตอย่างหนึ่งกราบเรียนถามพรอครูว่าเวลาที่เราเข้าจิตแล้วเราเข้าไปเรียนรู้บา ร, รมีเก่าที่เราเคยฝึกมาแล้วในอดีตชาติหรือว่าเป็นเป็นองค์เทพเจ้าลงสิงกันแน่คะะ <c oughs> อันนี้มองในแง่ว่าถูกเข้าทรงละนะ ถึงได้ไล่ลำออกอาการเป็นเทพองค์นั้นองค์นี้แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรคะแล้วมันจะมาต่อยอดวิชาหรือบา ร, รมีได้อย่างไรคะอย่างเช่นถ้าเคยฝึกเพ่งกระสินมาในอดีตแล้วชาตินี้ก็ต้องมาทำต่อหรือเปล่าคะการต่อยอดคืออะไรคะช่วยอธิบายหน่อยออมันต้องไปลื้อฟื้น ฝึกฝนเรียนต่อวิชาที่เราเคยฝึกมาหรือเพียงแค่เข้าไปรู้ว่าเราเคยฝึกวิชาเหล่านี้มากันนะคะเป็นคําถามซึ่งเกิดมาจากความเคยชินเราว่าเราทําอะไรต้องมีการกระทําการกําหนดการสั่งการนะอันนี้คือกิเลสคือความเคยชินคนละยุคนี้เป็นอย่างนี้นะส่วนเราฝึกจิตแล้วพราะกูบอกเมื่อเข้าไปในจิตในจิตแล้วเป็นเรื่องของ ความอิสระภาพของจิตนะให้จิตเขาดำเนินเองโดยไม่ต้องว่าจะทำอย่างไรต้องเป็นยังไงต้องไปเรียนต่อหรือเปล่าอะไรไม่ต้องคิดอะไรเลยนะจิตปัจจุบันเนี่ยนอบ น, óm, น้อมถ่อมตนเรียนรู้กับจิตเดิมเราในอดีตพอเขาทำสมัยนอดีตก็เราทาเราฝึกวิชานั้นมันก็มาต่อยอดสักพักหนึ่งโอเคเขาก็เปลี่ยนอย่างอื่นนะจนถึงเวลาหนึ่งเขาคิดว่าเออมันมีวิชาหลัก ที่เป็นเป็นวิชาที่เขาเด่นที่สุดมีกาลังมากที่สุดนั่นเขาก็ให้จิตปัจจุบันน่ะใช้เทคนิคตรงนั้นน่ะดำเนินเหมือนเราออกกำลังกายนะเราเลือกจ็อกจิ้งตอนเช้าตื่นมาแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไม่ใช่ติดไม่ติดนะมันเป็นอุบายวิธีที่ทำให้เราแข็งแรงทีนี้ใครรู้ว่าเราต้องทำอย่างไรจิตเดิมเรารู้นะจิตปัจจุบันหรือว่าสมองปัจจุบันอย่าไปคิดหาวิธีว่า จะต่อยอดหรือไม่ต่อยอดจะเป็นยังไงไม่เป็นไงเราไม่รู้จริงแต่สิ่งที่รู้จริงคือจิตเดิมเราเขารู้เองว่าควรจะทําอย่างไรนะไม่ใช่อดีตโอเคเราฝึกนั่งฌานมานานมันก็ไปติดเป็นอนุสัยาบางครั้งเรามาปุ๊บมันก็เข้าไปติดในฌานนะมันก็ไปไปทาไอ้ความเคยชินตรงนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่ามันติดแล้วเนี่ยเราต้องอย่าติดนะ ถ้ารู้ว่ามันติดก็อย่าไปติดติดอะไรก็คือหลงนะติดดีก็หลงดีนะหลงอะไรก็คือโลภโกรธหลงก็คือทุกข์อย่าพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรนะอย่าใช้สมองโง่ๆของเราเนี่ยไปสั่งจิตเด็ดขาดเราเรียนรู้วิชาว่าเออเขาบอกว่าทำอย่างนี้เราก็ไปจำมาแล้วก็ทำตามเราก็สั่งการว่าเราต้องทำแบบนี้นะไม่ต้องใช้ความคิดแบบนี้เนี่ย ไปฝึกจิตนะเริ่มแรกฝึกสัมมาทากรรมาฐานแน่นอนเรามีการสั่งการมีการฝึกแต่ช่วงเข้าไปสู่วิปัสนาเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะแล้วแต่จิตเดิมเขารู้เองว่าเขาจะทำอะไรเขาทำอะไรเราก็รู้เขาเปลี่ยนเราก็รู้เขาทำอะไรเราก็รู้เท่านั้นเองอย่าไปหลงติดมันนะอย่าไปหลงติดมันก็คำถามต่อไป ผมได้ฟังคำสอนของพ่ครู่แล้วรู้สึกศรัทธาในตัวพวครู่มากแต่ก็เกิดความสงสัยในคำสอนที่ออกขัดแย้งกันอยู่บ้างที่ว่าการเที่ยวหาที่ปฏิบัติธรรมหลายๆที่เท่ากับเป็นการเริ่มต้นใหม่ข้อนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ก็มีข้อที่ว่าการปฏิบัติในแต่ละแบบอาจจะไม่ได้เหมาะสม กับจริตทุกๆคนไม่ทราบว่าจากธรรมทั้งสองนี้มันขัดแย้งกันไหมครับมันไม่ขัดแยง้งนะแต่ถ้าเราคิดแบบตรกกะเป็นวิชาวิชานะสำนักนี้วิชานี้สำนักวิชานี้เนี่ยนะวิชานี้อาจจะถูกจริตกับเรานะบางทีไม่ถูกแล้วก็วิ่งไปหาวิชาอื่นนะวิชานั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ที่ศูนย์นี่ปฏิบัติไม่ใช่วิชาสอนเราจเจริญมักมาให ม, ม่ใช่ไหมไปเดินทางด้วยกันที่นี่ไม่ได้สอนอะไรเลยเป็นวิชาวิชานะขอให้ยาให้ทุกคนไปคิดแบบวิชาตอนแล้วกันนะให้จิตมันดำเนินเองเนะ่ทุกคนทำได้หมดแต่ทำตามที่จิตข้างในมันสั่งไม่ใช่สมองสั่งอันนี้ก็คิดแบบตักกะเหมือนกันนะว่า ก็วิธีนี้ฉันมาลองแล้วมันมันยังไงถูกวิธีชั้นไงฉันก็ไปหาวิธีอื่นเราจึงวิ่งหาไอการวิ่งหาวิธีวิธีเหมือนน้าครึ่งถังอันนี้ก็ครึ่งถังครึ่งถังครึ่งถังเหมือนเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่พกูพูดนะไอคํานี้นะคํานี้ที่บอกว่าการที่ไปหลายสํานักนี่กันะพรอาจารย์หลวงปู่ดุลท่านเป็นคนพูดนะแต่ท่านก็นไม่ได้พูดอะไรผิดเพราะกูก็เห็นกับเห็นด้วยกับคําพูดท่านแต่ต้องเข้าใจคําพูดนี้เนี่ย ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องยึดมั่นถือมั่นกับแนวทางนะต้องเชื่อครูบาอาจารย์คนนี้เท่านั้นอย่าไปเชื่อคนอื่นนะอันนั้นเป็นแค่อุดมการเป็นลัทธินิ่กายแต่ที่ศูนย์ที่พ่อครูดำเนินมา26ปีเนี่ยไม่เคยสั่งการว่าทุกคนต้องทำเหมือนพ่อครูต้องกินข้าวมื้อเดียวเหมือนพ่อครูต้องแต่งชุดเหมือนพ่อครูต้องทาอะไรเหมือนครูมันไม่ใช่ต้องปฏิบัติแบบพ่อครูมันไม่เหมือนกันที่นี่คือนานาจิตตังนะ แต่ถ้าเราไปคิดติดบ่วงเรื่องความรู้แบบตักกะแล้วเราจะคิดแบบคําถามตัวนี้แล้วว่าเอ๊ะมันขัดแย้งกันเองหรือเปล่าเนี่ยการที่ไปหลายๆสํานักมันไม่ดีเดี๋ยวถ้าเกิดมาเจอสํานักนี้แล้วมันไม่ถูกจริตฉันจะทำยังไงนะเหมือนมีเหตุผลที่นี่ไม่ใช่สํานักไม่ใช่อะไรไม่ใช่ลทัทธินิกายนะพราะครูระวังเรื่องนี้มาตลอดครูบาอาจารย์ที่แท้จริงต้องไม่สั่งให้ลูกศิษย์นี่ทําเหมือนตัวเอง ถ้าสั่งอย่างนั้นน่ะมันเป็นลัทธินิกายแล้วก็แสดงว่าครูบาอาจารย์นั้นยังเข้าไม่ถึงนานาจิตตังยังเข้าไม่ถึงความอิสระภาพยังไม่เห็นว่าแต่ละจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าถึงตัว น, นั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่บังคับใครเนี่ยทาเหมือนกับเรานะนี่คำว่า aan, นานาจิตตังนะขอสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่หนูแก้ไม่ตกจนถึงทุกวันนี้ค่ะขณะที่ปฏิบัติธรรม ก็ตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งให้รักพ่อแม่และคิดดีกับพ่อแม่ตลอดแต่พอมาอยู่กับแม่ซึ่งขี้บนและด่าว่าตลอดก็รู้สึกไม่ชอบขึ้นมาทุกครั้งและเกิดความรู้สึกไม่ดีไม่อยากมีแม่แบบนี้ทุกครั้งไปแต่ไม่รู้จะทาอย่างไรปฏิบัติไปเรื่อยจะสามารถรักพ่อแม่มากขึ้นไหมคะ อยากให้เป็นเช่นนั้นมากเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปมากที่ไม่รักพ่อแม่และคิดไม่ดีกับพ่อแม่ด้วยสิ่งเหล่านี้จะทำให้หนูปฏิบัติได้ไม่ก้าวหน้าและชีวิตไม่เจริญด้วยหรือเปล่าคะการทควรทำเช่นไรดีเพื่อให้ความคิดเหล่านี้หลุดพ้นจากจิตใจ ให้เร็วที่สุดไม่อยากบาปไปมากกว่านี้อีกแล้วได้โปรดตอบปัญหานี้ในวันอาทิตย์ให้ด้วยนะคะจะติดตามฟังค่ะใครมีอารมณ์านนี้บ้างนะที่เราเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยเป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนฝุญสูงเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุมันอยู่บางคนเกิดมาใช้นี่ บางคนเกิดมาทวงหนี้คนจีนแต้จิ๋วเนี่ยเขารักลูกเขาเขาก็ล่าลูกเขาทํานองว่าเขารัก เ, เขาใช้คำว่าไอ้ทอแจเกี่ยทอแจเกี่ยคือไอ้ลูกทวงหนี้มีอะไรก็ขอแม่แม่แ ม, แม่แม่น่ยอันนี้มั น, มนาบางคนเกิดมาก็มาทวงหนี้บางคนเกิดมาก็จ่ายหนี้ทีนี้บังเอิญความเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันทุกวันเราแคร์กัน นะแคร์กันเนี่ยยิ่งรักกันบางทียิ่งแคร์บางทียิ่งแคร์มันก็ยังมียังมีอารมณ์ทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบนะเอาเป็นว่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกนี้อย่างนี้กับพ่อแม่ดีไหมไม่ดีแน่ๆนะที่ขัน้นท่านเปรียบเสมือนพ่อแม่เนี่ยเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกเหมือนพรมของลูกนะอันนี้คือพ่อแม่เนี่ยท่านจะนิสัยยังไงก็ช่างโดยถ้าเป็นพ่อแม่จริงๆนะ ไม่ใช่พ่อแม่ติดยาเสพติดพ่อแม่ติดยาบ้าอั น, นั้นนพ่อแม่ขาดสติอันนั้นไม่ไม่ใช่พ่อแม่เราแล้วอันนั้นเป็นยาบ้าแต่ถ้าพ่อแม่จริงๆโดยสัญชาตญาณเนี่ยนนะพ่อแม่บางทีรักลูกแบบไหนกล้ากล้าโกหกกล้าผิดศีลเพื่อปกคปกป้องลูกนะแล้วก็ที่กบิ๊กมันมันแฝงด้วยความเห็นแก่ตัวะพ่อแม่ที่รักลูกเพราะว่าอยากให้ลูกได้ดีนั่นแหละบางทีโกหก เพื่อลูกนะบางทีทำอะไรที่ไม่ควรทำเพื่อลูกแล้วก็หวังแค่ให้ลูกได้ดีอันนี้คือพื้นฐานถ้าถ้าเป็นพ่อแม่จริงๆเนาะมันเป็นสัญชาตญาณแต่ยังไงก็ช่างถ้าในในนามเป็นลูกแล้วเนี่ยพ่อแม่จะถูกจะผิดยังไงก็ช่างเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายท่านนะอันนี้เราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกมันเป็นบาปทางใจล่ะเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น บังเอิญว่ากระแสะกรรมในอดีตเนี่ยนะมันเป็นวิบากกรรมในอดีตมันเกิดมาตรงนี้ให้เราตื่นขึ้นยอมรับมันซะจ่ายหนี้กรรมให้มันหมดอย่าไปเพิ่มหนี้ใหม่อันนี้ก็ฟังแล้วคำถามก็คือว่าพยายามทำอยู่นะก็ปฏิบัติมากกว่าเก่านะมันเป็นการล้างอุปท า, านตัวนั้นออกานบางทีมันเป็นจิตพยาบาทนะบางทีเป็นเคยเป็นผั้ลิกันไหในอดีตก็เกิดมา มามาทวงหนี้กันก็มีนะเอาอยัางไงก็ช่างเมื่อมันได้มาเกิดแล้วเรามีหน้าที่จ่ายหนี้กรรมให้มันหมดอย่าไปสร้างหนี้ใหม่ก็ฝืนตัวเองหน่อยหนึ่งเห็นอารมณ์ไม่ดีตัว น, นั้นแหละถ้าเกิดเราทํากับพ่อแม่ไม่ได้คล้ายๆว่าสมมติว่าท่านทําผิดซะท่านขี้บ่นตลอดเวลาทําให้เราโมโหเราไม่พอใจนี่กรชัถ้าเราแม้กระทั่งอภัยพ่อแม่ไม่ได้เราจะให้อภัยคนอื่นได้อย่างไรจริงๆแล้วคําว่าพ่อแม่เนี่ย ลูกไม่มีสิทธิ์ให้อภัยเลยนะถ้าถึงขั้นว่าให้อภัยนี่แสดงว่าเนี่ยเราหนักหนาสาหัสเนี่ยนะไม่ต้องให้อภัยแต่ว่าอย่าให้มีความรู้สึกไม่ดีกับพ่อแม่นะถ้ามันรู้สึกไม่ดีปุ๊บอย่างนี้น้อยถ้ายังมีความรู้สึกอยู่ขันติอดทนนะถ้าเกิดเรามีความรู้สึกไปเป่งอะไรออกมาเนี่ยมันจะเป็นกรรมหนักนะอันนี้ก็เจ้าตัวก็รู้ดีว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น พ่อครูเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่าเราเกิดมาชาตินี้เน่ะเจอในกอถูกชะตามากเจอในขอหมันไส้บางทีไม่มีเหตุผลนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะ่ะมันเป็นวิบากกรรมเก่ามันติดจิตใต้สานึกเรามาแล้วเนี่ยนะอันนี้ทีนี้เรามีหน้าที่มาล้างมันออกทั้งโปรแกรมที่ยินดียิน้ล้หรือว่าพอใจมันเป็นพยาบาทอย่างหนึ่งนะ เพระครูทึงเน้นว่าพระพุทธเจ้าก็เน้นเรื่องนี้ว่าให้อภัยทานกันนะเปลี่ยนกรรมให้กลายเป็นอโหสิกรรมไม่งั้นมันข้ามภพข้ามชาตินะมันกลายเป็นความโกรธแค้นนี่กลายเป็นพยาบาทตัวพยาบาทนี่ไปเผาไม่หมดนะเอาร่างกายเราไปเผากลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินแต่ไอีโปรแกรมพยาบาทจิตใต้สำนึกมันตามไปข้ามภพข้ามชาตินะ แล้วเราก็จะไปทวงนี้กันต่อนะเมื่อเราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เดินทางผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราต้องมีขันติมีความอดทนต้องฝืนความรู้สึกตัวเองหน่อยหนึ่งนะฝืนไปเรื่อยๆแล้วก็ทำความดีไปไเรื่อยๆมีเมตตาบ่อยๆนะนะถ้าเราอยากทำกับพ่อแม่เรายังไม่ได้เลยเราจะทำคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดนะอันนี้อันนี้ไม่มีลูกคนไหนก็อยากเป็นอย่างนี้หรอก บางทีมันเป็นโดยเราไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเอาเป็นว่าไม่ต้องรู้ว่าเป็นยังไงไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับวิบากกรรมนะเรามีหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยกาจัดอารมณ์นี้ซะทีนี้วิธีกาจัดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วคือทานศีลภาวนาทาเรื่องนี้บ่อยๆอารมณ์ขัดแยง้งอารมณ์พยาบาทต่างๆมันก็จะอ่อนลงคาว่าทานเนี่ยหนึ่งวัตถุทานพรุ่งนี้เช้าเราจะทำวัตถุทานเราทำบุญใส่บาท นะอันนี้เราทําวัตถุทานแล้วก็มีธรรมทานตอนนี้พ่อครกูกําลังให้ธรรมทานนะการให้ธรรมเป็นทานยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงนะอันนี้พ่อครูได้ให้ธรรมทานและไอทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็ทํายากที่สุดทานตัวสุดท้ายก็คืออภัยทานพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้านะเสียเวลาหลับนอนเรานะ เราก็เตรียมข้าวของเตรียมจัูกปัจจัยนะเป็นวัตถุทานไปถวายพระเห็นไยมพาะครูให้ธรรมทานแน่นอนทุกอย่างอะไรก็ต้องเสียเวลานะพาะครูก็ต้องเป่งเสียงไม่ขี้เหนียวความรู้นะไม่ไม่ส่หัวลิขิตนะมาให้ธรรมทานนะแต่ก็ต้องใช้พลังส่วนอภัยทานนั้น่ะไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องเสียวัตถุ นะไม่ต้องทำอะไรเลยนะง่ายไหมง่ายที่สุดแต่กิเลสทิฏฐิมานะเราไม่ยอมนะไอเ น, นี้ยถ้าใครทำได้เนี่ยนะเหมือนเราเอาภูเขาออกจากอกนะเอาเอาหินออกจากอกมันก็เบาไม่ต้องแบกข้างภพข้างชาตินะอันนี้ได้อา น, นิสงส์มากที่สุดที่บอกว่าการให้ทำเป็นทาน ยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงอันนี้หมายความว่าการให้ธรรมทานให้ปัญญาเนี่ยเพราะครูพูดทีหนึ่งเนี่ยคนเป็นร้อยนั่งอยู่ที่นี่ได้อา น, นิสงส์กว้างออก youtube อีกไปทั้งโลกนะคือได้อา น, นิสงส์ในวงกว้างส่วนผู้ให้เนี่ยสมมติเราให้วัตถุทานพุ่งนี้เนี่ยเราได้บุญสิบเปอร์เซนตสมม่าชั่งกิโลได้สิบกิโลแต่เราให้ธรรมทานเนี่ยผู้ให้เนี่ยได้สามสิบกิโลเห็นไหม 1ิบกิโลบวกส0บก็แค่สี่สิบแต่ถ้าเราให้อภัยทานแค่ครั้งเดียวเนี่ยผู้ให้เนี่ยได้6กสเอร์ซเลยห0สิกิโลเลยนะคือเราได้ยกภูเขาออกจากอกไม่ต้องแบกข้ามภพข้ามชาติอันนี้ในแง่คือผู้ให้เนี่ยการให้อภัยทานเนี่ยได้มากที่สุดนะพวกเราต้องใช้บ่อยๆนะโดยเฉพาะกับเพื่อนกับฝูงกับเพื่อนร่วมงานอะไรเนี่ย ถ้าเราไม่ยอมให้เราก็แบกอยู่นั้นล่ะกลับไปถึงบ้านคิดถึงหน้ามันยังหนักอกหนักใจเห็นไมที่พ่อครูบอกว่าเด็กมันเล่นกันอยู่พอมันผลักกันล้มลงไปมันก็ร้องไห้พอลุกขึ้นมามันก็เล่นกันต่อแต่ผู้ใหญ่เราเนี่ยแค้นนี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายเห็นไมแบกภูเขานี้ไปเก้าปีสิบเอ็ดเดือนยี่สิบเก้าวันอีกวันหนึ่งจะหมดวีซ่าคืนนั้นจะหลับปุ๊บคิดถึงหน้ามันอีก ต่อวีซ่าไปอีกสิบปีสนุกไหมแต่ถ้าเราให้อภัยเขานี่เขาไม่ได้อะไรจากเราเลยนะเขาไม่รู้ด้วยแต่เราได้ยกภูเขาออกจากอกเราได้อา น, นิสงส์มากที่สุดนะอภัยทานต้องใช้กันบ่อยๆนะข้อต่อไปนะก็เมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันจะทำหน้าที่เป็นอัตโนมัติ ใช่ไหมครับก็ต้องแจ่มแจ้งนะไม่ใช่จิตเห็นจิตเฉยๆเนี่ยนะจิตเห็นจิตเนี่ยมันเป็นคือมักเข้าไปสู่กระแสเท่านั้นเองนะถ้าเรามันเห็นภาษาเขาบอกเอ็กซัคีนะมันเห็นอย่างแจ่มแจ้งกระจ่างแล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่แล้วก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายภาพในอัตตาตัวตนเข้าไปสู่สุญญาตาก็ว่างจากอัตตานั่นล่ะ เวลาที่เหลือของเราเนี่ยมันทำพ่อทรมันจะเป็นอัตโนมัติเป็นตามธรรมชาตินะเมื่อมีสติเห็นความเกิดดับก็สักว่ารู้สักว่าเห็นใช่ไหมครับใช่ครับจิตสอนจิตคือใจลักใช่หรือไม่ถ้าตอบตรงๆรเนี่ยเราพยายามอยากรู้ภาษามันเนี่ยถ้าจิตสอนจิตคือใจลัก ใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่นะยังไม่ใช่จิตเห็นจิตเป็นแค่มรรคส่วนเราจเจริญมรรคแล้วเราเข้าไปถึงไตรลักษณ์หรือเปล่านะถ้าเราเข้าไปถึงไตรลักษณ์เข้าไปถึงกฎลักษณะสามประการของธรรมาชาติแล้วว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนั้นนั่นคือผลของของการจเจริญมรรคนะมันจะเกิดปัญญาว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันคืออะไรเพราะเราเข้าไปเห็นเฮ้ยอารมณ์ดีดี กาลังมีความสุขปุ๊บมันก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นนั่นแหละเราเข้าเราเราเห็นไตรักแล้วว่าความดีนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเห็นไมอารมณ์ไม่ดีก็ไม่เที่ยงมันเกิดดับนั่นแหละเราเห็นมันบ่อยๆสัมผัส บ, บ่อยๆเราก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะ กฎพระไตรลักษ์เนี่ยคือลักษณะสามประการของธรรมชาติอีกกี่ล้านปีล้านปีเนี่ยใครก็รู้มันไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีที่ผู้เจ้าไปไปตั้งขึ้นมาไม่ใช่ทฤษฎีมันเป็นความจริงที่ผู้เจ้าไปตัดสู่ความจริงซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติอีกกี่ล้านปีมันก็เหมือนเก่านะถ้าจิตเข้าถึงตรงนั้นแหละแล้วก็ยอมรับมันเป็นดุษฎีว่าเออทุกอย่างมันไม่เที่ยงแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่ใช่ของเราไอ้เจ้าตัวฉัน ฉันเห็นคนแก่เนี่ยทุกมากเธอห้ามแก่นะเธอห้ามเจ็บด้วยคนเจ็บร้องโอยๆเนี่ยฉันไม่ต้องการเจ็บฉันเห็นคนตายเนี่ยก็ร้องไห้กันวุ่นเลยเนี่ยฉันไม่อยากตายไอตัวฉันเธอต้องฟังฉันนะห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายมันเชื่อเราไหมมันไม่ได้เชื่อเรามันไม่ได้ฟังเรามันไม่ใช่ของเรานั่นแหละคำว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะอันนี้คาว่ากฎพระไตรลักษ จิตสอนจิตคือทำให้เราเห็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่ไตรลักษณ์สอนให้เราไปเห็นไตรลักษณ์เนี่ยภาษานี่ต้องต้องระวังถ้าเราตอบอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไปพูดกันต่อแล้วเนี่ยนะคนจ้องจับผิดก็มีอยู่นะที่จริงแล้วไอ้ความรู้เหล่านี้รู้ก็ได้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะมันเป็นภาษาวิชาการทางพุทธศาสนาคำต่อไปนะอุปาทาน คือกำมุปาทานทิฏฐุปาทานนะิลพัตตปาทานใช่หรือไม่เห็นหอันนี้เป็นความรู้อยากรู้ว่ามันคืออะไรเอาภาษาเนี่ยมาคุยกันยกตัว อ, อย่างว่านิพานคืออัตตาอนาตตาทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้พยายามสแสวงหาความรู้นะไม่เป็นไรถามมาแล้วอันนี้เขาเขาถามว่าอุปทานคือหนึ่ง กามุปาทานนะทิฏฐุปาทานสองนะสศิลปัต่ปาทานเขาถามมาสาข้อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาในแง่วิชาการคำว่าอุปท า, านเนี่ยมันมีสี่ข้อข้อที่สี่คืออัตวาทุปาทานนะทีนี้พ่อคูก็อธิบายให้ฟังนิดนึงเมื่ออยากจะรู้จริงๆแล้วมันเป็นแค่ความรู้เฉยๆ มันไม่ใช่ความจริงภาษานี่เป็นแค่ความรู้แต่ก็รู้ไว้เป็นข้อสังเขปนะอุปทานจริงๆเนี่ยมันคือความยึดมั่นความถือมั่นความยึดติดนะอุปทานหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดด้วยอำนาจกิเลสโดยนึกหรือเข้าใจเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือการนึกเอาเองเข้าใจเอาเอง แล้วยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อุปทานจัดเป็นผลของตันหาอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเศร้าหมองเช่นออหากยึดมั่นในการ ม, มาตัญหาก็จะทำให้ลิศยาหึงหวงหากยึดมั่นในความคิดเห็นก็จะทำให้มีทิติมานะสูง และหัวดือด้อดื้อรันหากยึดมั่นในธรรมเนียมก็จะทำให้งมงายเชื่อง่ายหากยึดมั่นในตัวเองก็จะทำให้ทะนงตัวเย่อหยิ่งจองหองถือเราถือเขานะสรุปอุปทานคือความยึดมัน่นถือมัน่นในตัณหานั้นๆอย่างแรงนะ ถอนความรู้สึกได้ยากจนติดอยู่ในสันดานอุปทานในทางวิชาการนะแยกเป็นสี่ประการนะวิชาการเนี่ยเป็นวิชาการโดยภาษาบาลีเนี่ยพวกเรารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อมีคำถามคถามมานะพราคูก็เปิดหนังสืออ่านได้เปิดพระไตรปิฎกอ่านได้มันเป็นไรใครมีอ่านภาษาออกก็ไปเปิดก็อ่านได้นะรู้ก็รู้แล้วก็วางอย่าไป ฝังไปเป็นสัญญาเป็นเป็นเป็นขยะแล้วก็มานั่งเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งนะเพื่อรู้เพื่อรู้รแนวทางนะข้อที่หนึ่งเรียกว่ากามุามาม ป, ปาทานความยึดถือหรือยึดเหนี่ยวเอากา ม, มาคุณมาเป็นอารมณ์ได้แก่อารมณ์ทั้งหคือความยินดีพอใจติดใจในรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสและธรรมรมนะ ธรรมอรมก็คืออารมณ์นั่นแหละรูปสัมผัส ด, ด้วยตาเสียงสัมผัส ด, ด้วยหูกลิ่นสัมผัส ด, ด้วยจมูกรสสัมผัส ด, ด้วยลิ้นผัสาเนี่ยก็สัมผัส ด, ด้วยกายนะเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็มารู้อารมณ์ที่ใจนะอันนี้เรียกว่าอายัยตนะทั้งหกนะข้อที่สองทิฏฐุปาทาน การยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นนะผิดไปจากสภาวธรรมซึ่งเป็นความเป็นจริงนะคนที่มีทิฏฐิมานะก็มีอุปท า, านเรื่องนี้สีลพะตะัตะตุปาทานการยึดถือเอาศีลวัดข้อปฏิบัติผิดไปจากสภาวธรรมแห่งความเป็นจริงในทางพุทธศาสนาก็คือว่าเราไปหลงเข้าใจ ศีลวัดปฏิบัติต่างๆผิดจากความเป็นจริงก็ทำให้เกิดอุปทานนะข้อที่สี่ข้อสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าอัตวาทุปาทานการยึดถือเอาตัวตนคนเราสัตว่ามีอยู่เป็นอยู่ดังนี้เป็นต้นซึ่งตามหลักสภาวธรรมแล้วไม่มีตัวตนคนเราสัตว์หรือแม้แต่วัตถุสิ่งของ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาทั้งสิ้นตามธรรมดาคนเรามักยึดถือเอาว่าร่างกายและจิตใจเป็นตัวเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้อตตวาทุปาทานจึงเป็นอุปทานอันดับแรกๆที่มีอยู่เป็นประจำในสันดานของมนุษย์เพราะเราเกิดมาเราก็อยู่กับตัวเองละแล้วลเริ่มจากมีตัวกูของกูนะแล้วก็มีสร้างอุปทานตัวนี้มา อันนี้เริ่อสร้างแล้วว่าอัตราคนจีนเขามีคํานึงคนจีนจีนกลางก็แล้วกันเขาใช้คําว่าซื้อเจียนฉางจิ๋วเปลี่ยนชื่ อ, อยานเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยก็กลายเป็นธรรมชาติของเราเราอยู่ร่างกายนี้จนเคยชินแล้วก็คิดว่านี่ตัวเราเป็นของเรานะกลายเป็นอัตราขึ้นมาเมื่ออุปทานถูกเพิกถอน อันนี้คําถามอีกนะเมื่ออุปทานถูกเพิกถอนคือนิพพานใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่นะนิพพานไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นอย่างนี้อุปทานเป็นแค่ปลายเหตุกิเลสทาให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดเกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดทุกข์ถ้าเราดับอุปทานได้มันก็ไม่ทุกข์ชั่วคราวนะแต่ถ้ากิเลสตัณหามันยังอยู่เนี่ยนะ เราไม่ทุกข์แต่เรายังไม่พ้นทุกข์นะยังไม่ใช่นิพานนะทีนี้นิพานคืออะไรนะเขาถามอีกนิพานถ้าในแง่ทางวิชาการนะนิพานมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันพูดว่ามันเป็นอะไรก็ไม่ได้แต่เขาใช้คําว่านิพานโดยลักษณะโดยลักษณะที่มีอยู่สามประการคืออนิมิตนานิพาน คือนิพพานที่ดับรูปนามไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอ ป, ปะนิหิตนิพพานคือนิพพานดับรูปนามไม่มีราคะโทสะโมหะเหลืออยู่อีกนะสสุญญะนิพพานคือนิพพานดับรูปนามว่างจากราคะโทสะโมหะ สูญสิ้นจากกิเลสอาสะวะและขันห้าไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนิพพานเนี่ยโดยลักษณะก็มีสามระดับนะแต่ที่เหมือนกันถ้าถึงขั้นนิพพานแล้วคือดับทุกข์แล้วไม่ทุกข์อีกต่อไปเพียงแต่ว่าความบริสุทธิ์ของนิพพานนั้นมีสามระดับเนี่ยเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าลักษณะของนิพพานส่วนท่าแท้ของนิพพาน ใช้าคาว่าธาตุแท้มีอยู่สองประเภทนะอันที่หนึ่งสปปาท่เศตนิพานคือนิพานที่ยังมีอุปาธิคือมีขันห้าเหลืออยู่หมายถึงพระอาหารหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่และได้ละกิเลสอาสวะไปหมดสิ้นแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่นะ ส่วนข้อที่สองนั้นอนุปาทิเศษนิพานได้แก่พระอาหารหันต์ที่เข้าสู่ปัลินิพานคือดับขันแล้วนะภาพพยนต์พระพระุทธเจ้าถ้าเราไปดูในโทรทัศน์ถึงตอนสุดท้ายแล้วนะตอนนี้พระองค์ดับขันเข้าสู่ปรลินิพานแล้วคือพระอาหารหันต์ที่ยังอยู่ยังมีขันห้าอยู่เนี่ยนะ ยังมีขันห้ายังยังยั ง, ยงไม่ละสังขาร น, นะส่วนอันที่สองนี้คือพระรหัน์ที่ละขันห้าไปแล้วเข้าไปสู่ปริณิพานนะทีนี้คำถามต่อมาก็ยังบทส่วนมนขันทปัปปิสสามารถป้องกันภัยจากเหล่าสัตว์เื้อยคานได้จริงหรือไม่คะ หรือว่ายิ่งสวดก็เป็นการให้ความเป็นมิตรแก่พวกเขาทำให้เขายิ่งเข้ามาใกล้มาอาศัยอยู่ด้วยคะ่ะขอคำแนะนำด้วยคะ่ะถ้าเรากลัวแม้รู้ว่าเขาจะไม่ทำลายเราทำอย่างไรคะไม่ต้องกลัวก็รู้ว่ากลัวก็อย่าไปกลัวเนาะส่วนอยากรู้ว่าสวดแล้วเนี่ยนะ ป้องกันได้จริงหรือเปล่าไปนั่งสวดในป่าดูสินะหรือเอางูมานั่งต่อหน้ า, างูพิษน่แล้วก็สวดอยู่เนาะนะคือการบทสวดต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งตอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงประชวรเนี่ยนะก็ให้สาวกเนี่ยมาสวดเรื่องออโพธชงเจ็นะไม่ใช่ฟังแล้วก็หายนะไม่ใช่ เราต้องรู้ไวยะรู้เนื้อหามันแล้วให้เราปล่อยวางอุปทานตัวนั้นซะถ้าเราฟังโลกหลายโลกเนี่ยบางทีเกินห้าสิบเปเซนเกิดจากอุปทานเราเมื่อเราฟังแล้วอ๋อเราข้ามพ้นอุปทานนั้นนะภูมคุ้มกันมันก็เกิดส่วนในการสวดมนต์นั้นนี่เขาก็อ้างว่าเออสวดแล้วจะป้องกันนั้นได้เนี่ยมันเป็นอุบายวิธีที่เราให้จดจ่อสวดเนี่ยเราจะลืมความกลัวตัวนั้นซะให้เราลืมความกลัว เนี่ยคำถามว่าถ้าเรากลัวเนี่ยแม้รู้ว่าเขาจะไม่ทำร้ายควรทำอย่างไรก็ไม่ต้องกลัวนะก็ไม่ต้องกลัวสิก็รู้ว่ากลัวก็อย่าไปกลัวนะไม่ได้ยากเลยไงก็อย่าไปกลัวมันใช่ไหมล่ะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเห็นไหมเราเเตือนตัวเองตลอดก็รู้ว่ากลัวมันไม่ดีก็อย่ากลัวสินะ ก็พระรูปเจ้าพูดคำหนึ่งศาสนาของพระ อ, องค์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือดับความกลัวซะที่เราทุกๆวันนี้พวกเรากลัวนะความกลัวต้นเหตุมาจากความอยากนะตัณหาคือที่มาของทุกข์อยากปลอดภัยกลัวไม่ปลอดภัยอยากอยากปลอดภัยไม่อยากให้งูกัดกลัวมันกัดก็กลัวเห็นไหมละ่ะ ถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดก็เกิดถึงจะกลัวแค่ไหนมันก็ป้องกันไม่ได้มันก็เกิดสภาวะนิพพานเป็นสภาวะอย่างไรคะคำตอบนี้เมื่อกี้นี้ตอบไปแล้วเนาะคนที่ปฏิบัติธรรมที่จิตยังไม่สามารถเข้าในจิตเพื่อใช้กรรมเก่าแล้วเสียชีวิตก่อนผลจะเป็นอย่างไรคะ ผลจะเป็นก็คือตายตายชวนจะตายอย่างไรอยู่ที่บุญบาปเราสร้างมาไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปเข้าจิตนะฟังพระครูนะทุก ว, วันนี้เลยไอการเข้าจิตได้นี่มันเหมือนอะไรล่ะมันเหมือนเอ่อมันเหมือนเป็นทางลัดที่เราไปสะสางมันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นพาหิยะนี่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยไม่รู้เรื่องศาสนาเลยบังเอิญบุญเก่าส่งให้มาพบพระพุทธเจ้านะกำลังบินทบาดอยู่นิมนให้ท่านเทศท่านเทศ ท่านก็บอกไปวัดไปวัดก็บอกเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้พระองค์ก็เทศคําเดียวว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินแค่นั้นภัยยะก็สว่างขึ้นมาอ้อจริงแล้วที่ผ่านมาเราไม่สักแต่ว่าได้ยินปุ๊บก็เอามาคิดเห็นปุ๊บก็เอามาคิดมาถึงทุกไงแค่คํานี้คําเดียวภัยยะก็บรรลุธรรมแล้วนะแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ทุกคนจะทําอย่างนั้นได้ นะแต่ผู้เจ้าชี้ทางสายต่างเขาเรียกว่าการเจริญมรรคเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลปวนาอันนี้ทุกคนทําได้ส่วนมันจะสําเร็จเมื่อไหร่นั้นน่ยอย่าไปเปรียบเทียบกันมันไม่มีสูตรสําเร็จมันไม่ใช่วิชาสําเร็จว่าเรียนปริญตีสี่ปีจบพร้อมกนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็อย่าไปกังวลว่าเข้าจิตไม่ได้จะเป็นยังไงนะขอให้อยู่สมมุติว่าเข้าจิตจิต เห็นจิตคือมรรคเนี <becue> ่ยถ้าเราเข้าจิตได้เนี่ยหมายความว่าเราเจริญมหาสติปัฏฐานเนี่ยได้ได้กายเวทนาจิตธรรมได้สมบูรณ์นะมันมีกําลังมากกว่าแต่พาหิยะยังไม่ได้เจริญอะไรเลยก็บรรลุธรรมได้นะเราเจริญสัมมากรรมฐานอย่างเดียวนะนะบางทีก็บรรลุธรรมได้บางทีมีแค่สมาธิสมมติว่าในอดีตนี่เรามีบารมีมา9ก้าสิเรหลืออยู่แค่หปอร์ มังเกินเพิ่มสมาธิเขาไปหปอร์ซ็นต์มันก็บรรลุทาได้นะอย่าไปกังวลเข้าได้ก็เข้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้อยู่ในทานศีลภาวนาส่วนการภาวนามันมีระดับสั ม, มะถะกับวิปัสนาถ้าเราวิปัสนายังไม่ได้เราก็จเจริญสัมมาทไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยก็แล้วกันทีนี้ถามต่อไปว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาจะช่วยอะไรได้บ้างเจ้าข้า ถ้าปฏิบัติอยู่ในทานศีลภาวนาเนี่ยเราได้เพิ่มอินทรีย์พะละเรานะทําให้กําลังของจิตมากขึ้นถ้าเกิดชาตินี้ยังไม่ถึงฝั่งไอ้ที่เราฝึกมาทั้งหมดมันไม่ได้สูญไปไหนไอ้กำลังตัวนั้นมันส่งผลถึงอนาคตแต่ชาติไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องไปคิดหรอกว่าอยากจะทําเพื่ออะไรนะอยากจะทําให้มันสมเร็จไวๆอะไรเนี่ยอย่าคิดแบบค้ากําไรเกินควรนะนะเราหลงป่า สิ่งที่เราต้องทำคือหาทางเดินออกจากป่าสถานเดียวกลางคืนก็นอนตื่นเช้ามาก็เดินอีกขี้เกียจก็เดินขยันก็เดินเบื่อก็เดินไม่เบื่อก็เดินหรือว่าขี้เกียจเดินนั่งอยู่เฉยๆรอให้เสือมันมากินเราเหรอนะเดินมันจะถึงเมื่อไหร่ช่างมันนะทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะก็พ่อครูก็เล่าให้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องสาวพ่อครูก็เคยมาปฏิบัติที่นี่ ก็สดดกับพวกไม่ฉีนะเรียกโกจุบนั้นะวันนั้นไม่ฉีบุญหลายร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยแกมาครั้งสุดท้ายพ่อครูก็เตือนว่าอย่าประมาทนะอายุก็มากแล้วหกสิบสองท้าเด็กคนนี้ไม่ใช่หกสองพ่อครูดูแลตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะก็อายุต่างกันไม่มากนะกับพกก่อครูเนี่ยอายุต่างกันแค่สี่ปี แต่พ่อครูดูแลเหมือนลูกเขาชอบสนุกสนานชอบอิสระนะมีครอบครัวที่อบอุ่นสามีฐานะมั่นคงเป็นเศรษฐีเจ้าของโรงงานทำนาฬิกาที่สวิตเซอร์แลนด์เขาดีมากเขารักแก่มากแต่มันก็วางเขาเขาไม่ติดอะไรเลยไปทำงานเป็นแอร์โฮสเตสไปเที่ยวไปทั่วโลกแล้วเขาเขาไม่ติดอะไรเลยนะ และบังเอิญสองปีก่อนคุณย่าเสียชีวิตแล้วก็มาเผาที่นี่เขาก็มาน้องมาทั้งหมดเขาก็มีโอกาสมาปฏิบัติและสองปีที่ผ่านมาเขาก็มาเป็นช่วงๆนะเขามาที่นี่ครั้งสองครั้งสุดท้ายเขาเป็นนอนกับเมชีอยู่ริมน้านะไปทำทำกุฏินอนคนเดียวอะไรเนี่ยปกตินิสัยอย่างเขาทำอย่างนี้ไม่ได้นะเขาก้าวหน้าเร็วมากพป ก, กูก็บอกว่าอย่าประมาทนะ คือธรรมดาเขาทำงานมาเขากะว่าหกสิบปีเกษียณไงพอใกล้ถึงหกสิบเขาก็เปลี่ยนเป็นหกสิบห้าะเมืองไทยเราข้าราชการยังเป็นหกสิบนะตอนนี้ยุโรปอเมริกาเขาเลื่อนไปเป็นหกสิบห้าเพราะว่าคนเรามันแข็งแรงอยู่แล้วก็ เ, เงินสวัสดิการเนี่ยรัฐบาลไม่ค่อยมีเงินแล้วอย่างเงี้ยนะตอนนี้แกเขาหกสิบสองแล้วก็ต้องรออีกสามปีนะแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ย เขากลับไปเขาก็ไปลาออกเลยไม่รอกเกษียณ น, นะพ่อครูเคยพูดบ่อยๆเพื่อนพ่อครูมาที่นี่ตอนนั้นเขาอายุห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดกำลังยังไม่กเกษียณก็บอกหลังกเกษียณค่อยมาปฏิบัติพ่อครูบอกว่าไม่ใช่แช่งนะเธอรู้ได้ยังไงเธอจะตายหลังกเกษียณเห็นไหมโกจุบนี่กลับไปเนี่ยเขาไม่รอกเกษียณเขาลาออก แล้วเขาบอกโกแมวพี่สาวเขาอีกคนนึงว่าเขาจะมาบวชชีที่นี่ทำเรื่องลาออกแล้วแล้ววันนั้นขับรถไปเกิดฝนตกหนักเกิดอุบัติเหตุเขาก็เสียชีวิตเห็นไมเพราะคุณต้องบอกว่าอย่าผัดวันประกันพุ่งนะคํคำว่ากเกษียณเนี่ยในทางโลกเราเอากเกษียณอายุเอาอายุมาเป็นตัววัดบ้านเมืองเรายังหกสิบนะบางประเทศก็หกสิบห้านะอันนั้นกเกษียณแบบทางโลก แต่ทั้งจิตวิญญาณแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เราก็เกษียณตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้กเกษียณจากความทุกข์กเกษียณจากความยึดมั่นถือมั่นกเกษียณจากความโลภความโกรธความหลงนะเน้นบัณฑิตเจ็ดขวบเป็นพระอารหันต์แล้วนะตอนนี้เราถูกทางโลกมาดึงว่าเราต้องรอให้เรากรเกษียณก่อนเมื่อเช้านี้ก็มีโอกาสเดินไปห้องครัวกับคุณยาย จริงๆแล้วอายุคุณยายนี่เลยกเกษียณแล้วในแง่อายุกเกษียณอายุแต่จิตวิญญาณคุณยายเนี่ยท่านเป็นจิตใจดีมากแต่ความรักหว่วงลูกหว่วงหลานยังกเกษียณไม่ได้คำว่ากเกษียณตัวนี้คือว่าไม่ใช่ว่าฉันนั่งเฉยๆกินแล้วก็นอนเฉยๆนะเราทำงานล้วก็ทำไปแต่ว่าจิตเรากเกษียณจากความยึดมั่นถือมั่นนะ คุณยายบอกยังกลัวอยู่กลางคืนต้องปิดม่านนอนถ้าไม่ปิดมันยังกลัวอยู่พอคุณยายเปิดเลยไม่ต้องปิดต้องทำลายอุปทานนอนนั้นซะไม่งั้นเราไม่มีสิทธิ์กเกษียณ น, นะตลอดชีวิตนี้เรากเกษียณไม่ลงเลยนะคว่ากเกษียณเนี่ยของจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องอายุถ้าใครวางได้เดียเยเด๋ยวนี้เกษียณเดี๋ยวนี้วางพรุ่งนี้ก็เกษียณพรุ่งนี้ กเกษียณปุ๊บเวลาที่เหลือเราเนี่ยเป็นอิสระภาพนะแต่ตอนนี้ทางโลกเขาสอนว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดเรื่องปฏิบัติธรรมอะไรรอกเกษียณก่อนไหมโกชุกนี่แสดงธรรมนะเขาไม่รอกเกษียณเขาไปลาเลยแต่ว่าหมดเวลาแล้วนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะก็ข้อสุดท้ายก็คืออะไรคือการปฏิบัติธรรม การปฏริบัติธรรมตอบไม่ง่ายสําหรับพ่อครูนะการกระทําตามธรรมชาติแต่ธรรมชาติมีหลายระดับระดับเปรตอสุตรกายระดับเศรษฐศาัตร์เดรรฉานระดับคนที่เราเรียกว่ามนุษย์ระดับเทพเทวดาหรือพรหมระดับอริยะเจ้าอริยะเจ้าก็แบ่งเป็นหลายระดับคือสี่คู่แปดบุรุษนะที่ว่าสมควรแก่สักการะและบูชา เอาละพวาะคุณลำดับให้ฟังนะมันมีหลายระดับตั้งแต่สัตว์นรกเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์แล้วก็เทวดาพรมแล้วก็พระอริยะนะแต่ละระดับนี่ก็มีหลายเขาแบ่งเป็นหลายๆขั้นใช้คําว่าเลเวลนะนเทวดามีหลายขั้นอุณหภูมิของความสุขแตกต่างกันสัตว์นรกก็มีหลายขั้นอุณหภูมิของความทุกข์หลายขั้นอันนั้นคือข้าวๆ แต่ทีนี้มันแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆคือสามโล ก, กาธาตุคือนรกสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะแล้วก็อันสุดท้ายคือนิพพานสมบัติอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้นับอยู่ในโลกกระทำรรทั้งสามอย่างนี่ในโล ก, กรธรรมมีสามส่วนนิพพานสมบัตินี่หลุดออกจากตรงนี้ไปแล้วทีนี้เราอยู่ในสามโล ก, กาธาตุนี้นะมีมนุษย์สมบัติเท่านั้นนะ่ะที่จะก้าวกระโดดได้ เราเป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นนะส่วนระดับอื่นๆเนี่ยไปจ่ายหนี้กรรมเทวดาก็ต้องรับกรรมดีนะตามกระแสกรรมดีไอ้พวกนรกสมบัติก็ต้องรับกรรมชั่วตามกระแสมันส่วนมนุษย์สมบัติเนี่ยเราเปลี่ยนได้เหมือนพ่อครูพูดบรรยายเรื่องผีเสื้อก่อนจะเป็นผีเสื้อมันเป็นนอนตัวอ่อนเคลื่อนไหวไม่ได้ กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนพอมันโตขึ้นเป็นหนอนผีเสือ้อมันเคลื่อนย้ายได้ละ่ะกลายเป็นสัตว์เลือ้อยคานถ้ามันเอาตัวรอดมันพัฒนาไปเรื่อยปุ๊บมันกลายเป็นผีเสือ้อมันมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากสัตว์เลือ้อยคานกลายเป็นสัตว์ปีกบินบนอากาศได้นะอันนี้คือในแง่ผีเสือ้ออันนี้ในแง่พัฒนาการทางด้านกายแต่ในแง่จิตวิญญาณแล้วเนี่ยมันก้าวกระโดดไม่ได้ แต่มนุษย์เราในแง่จิตวิญญาณเนี่ยเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เราสามารถพัฒนาไปสู่เทวดาเป็นพรมได้พรมวิหารคือที่อยู่ของมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วก็พัฒนาไปสู่อริยบุคคลได้นะมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นที่เราพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วถ้าเราละเลยเขาเรียกว่ากรณีพิเศษของเราเราไม่ใช้มันเนี่ย พระครูใช้คำว่าเสียดายชาติเกิดนะทุกวันนี้เราก่าวไหวพาหา้พระลาหนพระพุทธเจ้าเห็นไหมหนังพุทธเจ้าเราก่าวไหว้ร่างกายข้างนอกเป็นเจ้าชายสิทธถาก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่ข้างในเนี่ยกลายเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นอริยะนะมนุษย์พัฒนาอย่างนั้นได้เป็นสัต ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นที่ทําอย่างนั้นไดน้เรามีโอกาสมาเกิดในร่างมนุษย์ประเสริฐแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเราพัฒนาเรื่องจิตวิญญาณอย่างก้าวกระโดดได้สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีกายแต่เป็นจิตระดับต่ํามาเกิดในร่างที่มีร่างของสัตว์เนี่ยเขาคิดที่จะเจริญวิ ป, ปัสนาเขาเจริญมากไม่เป็นเขาจ่ายนียกรรมอย่างเดียวเขาเดินไปตามขาบวน กร like, ะแสกรรมมันแต่มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาจากมนุษย์ให้กลายเป็นพรมเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยะได้นะพระอริยะที่เราเรียกเนี่ยคือสี่คู่แปดบุรุษสมควรแก่สักกาละและบูชานะอันแรกก็คือโสดาปฏิมักคือจิตเห็นจิตคือมักถ้าเราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยจิตมันดําเนินเองแล้วเนี่ยเราเข้าไปสู่กระแสะมักแล้วอันนี้ขั้นต่ําสุด โซดาปฏิมักนะท่านในทางวิชาการจิตวิญญาณแล้วเนี่ยไม่มีนรกอีกแล้วสูงสุดอีกแค่เจดชาตินะอันนี้คือเราเข้าไปสู่กระแสะพระอริยะพระอริยสงฆ์นะขั้นเริ่มต้นคือโสดาปฏิมักเหมือนเราเรียนปริญาตรีเรากําลังเรียนอยู่เราเป็นนิสิตปริญญาตีเรียกว่าโสดาปฏิมักเมื่อเราจบปริญาตรีแล้วเนี่ยเราก็ได้เป็นนักศึกษา ปริญญาตีอันนั้นคือโสดาปฏิพล <TH verw 000> เราเรียนปริญญาโทต่อช่วงเรียนปริญญาโทต่อเรียกว่าสกิทาคามีมักนะเป็นทางเดินของนักศึกษาปริญญาโทเมื่อเราจบปริญญาโทแล้วก็เป็นสกิทาคามีผลอันนี้คู่ที่สองเราไม่พอใจเราเรียนปริญญาเอกต่อช่วงที่เรียนปริญญาเอกต่อเนี่เปรียบเสมือนว่าเป็นอนาคามีมักทางเดินของนักศึกษาปริญญาเอก เมื่อเราเรียนจบปริญญาเอกแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วเราก็ได้เป็นอนาคามีผลนี่คู่ที่สามตอนนี้เขาไม่พอใจแค่จบด็อกเตอร์ไม่พอต้องวิจัยเป็นศาสตราจารย์ช่วงที่เราดําเนินอยู่นี่เรียกว่าอัรหัตมักทางเดินของพระอรหันต์เมื่อเราทํำสําเร็จแล้วเราได้เป็นศาสตราจารย์แล้วเนี่ยเรียกว่าอัรหัตผลนี่เรียกว่าสี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชา มันหมายถึงสภาวะธรรมของจิตไม่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายไม่เกี่ยวกับทรงผมไม่เกี่ยวกับอาชีพพระอยู่ในภูเขาจิตโ佛ใจหลิงซันพระอยู่ในภูเขาจิตนะทุกอย่างจบอยู่ที่จิตก็คืนนี้พราครูก็ใช้เวลาพอสมควรนะและต่อไปเราจะได้ปฏิบัติต่อสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาใจ